ป จ, จตังเวทิตโพวินยูหิอันนี้คือคุณสมบัติของธรรมะนี่พูดเป็นภาษาบาลีทีนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนสวาขาโตภควาดาธโมก็หมายถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประาปรกาศไว้ดีแล้วเกิดออ น, นี้ข้าพเจ้าจะแปลให้ท่าฟังฟังก่อนนะว่าคือไม่ใช่ว่ามั่มวๆยกมาแต่ว่ามีพุทธพจน์เดิมที่พระเจ้ายือนอันนั้นไว้แต่ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประาปรกาศไว้ดีแล้ว ก็มาจากคําว่าสวากาโตภคบัตาตามโมคําว่าสันทิติโกก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลพึงจะเห็นได้เองนั่นคือถ้าผู้บรรลุแล้วจะเห็นชัดเจนนั่นคือคําว่าสันติโกคําว่าอาการิโ ก, กคือการที่ไม่ประกอบด้วยการไม่เกี่ยวข้องด้วยการเวลาคําว่าเอหิ ป, ปัสสิโกกหมายถึงควรจะเรียกคนอื่นมาดูควรจะเรียกคนอื่นมาพิสูจน์ คำว่าโอบาลีโกก็เป็นสิ่งที่ควรจะน้อมเข้ามาสู่ตัวส่วนคำว่าปัจจตังเวทิทโพวินยุหิอันนี้ก็แปลว่าสิ่งที่วินยุชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตอนอันนี้คือที่เขาแปลกันมานะมาจากบาลีดั้งเดิมเราจะรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้แตนะ่ไม่ให้เป็นลักษณะที่เป็นงูพิษคือถ้าเป็นงูพิกก็คือหมายถึงว่าเข้าใจไม่ถูกแล้วก็เอาความรู้นั้นไปทิ่มแทงคนอื่นก็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 เอาลองผิดก่อนลองผิดลองไงโ oh, อ้จำบุฟังเลยเนี่ยทุกรกิริยาเห็นไหมท้องจนถึงหลังนั่นคือแผ่นท้องเนี่ยติดกับกระดูกสันหลังจะเอามือจับท้องก็ถูกกระดูกสันหลังไปด้วยนั่นคือลองผิดมาก่อนลองผิดทั้งสองทางทั้งการที่ทรมานตัวเองให้ลําบากการที่ชุ่มอยู่ด้วยกำลังอันนี้คือจุดที่1 น, นะว่าพระเจ้าเนี่ยผ่านการคิดค้นไครครวนไตรตรองมาก่อนด้วยการที่ลองผิด แล้วก็มาลองถูกการมาลองถูกแล้ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ผลเลยก็ต้องลองถูกชนิดที่เรียกว่ายัางไม่ชํานาญการทําสมาธิในขั้นต่างๆก่อนจะมาถึงการทําสมาธิได้เราก็ต้องรักษาศีลมา ก, ก่อนในมีเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแต่ไม่ใช่แค่รู้ในส่วนของข้อมูลแต่ว่าได้ทําเองจริงๆแตคือไม่ใช่เฉพาะรู้ในตําราหรือว่าหรือว่าแค่นั่งนึกคิดเอาแต่แต่ว่าทำด้วยจิตด้วย เพรนการที่ตัวเองเนี่ยคิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทําได้ด้วยแต่ทำได้ด้วยเราก็บอกได้ด้วยก็คือมีทั้งปริยัตแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลของตัวเองเร า, ายังสามารถบอกสอนได้อันนี้เป็นความดีในข้อที่1แต่ความดีในข้อที่1นึที่ว่าตัวปรุงเนี่ยทำมาแล้วอย่างดี่ปฏิบัติแล้วอย่างดีลองผิดลองถูกมาแล้วคิดค้นมาแล้วไม่ได้คิดเฉยเฉยแล้วบอกเฉยเแต่ว่าทําได้ด้วยอนี้นคือความดีในข้อที่1ความดีในข้อที่1นึคือตัวผู้บอกผู้สอนนะมีาุณี้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 ในการเพื่อที่จะหาลาบสักการะเสียงสรรเสริญเยงเงินยออันนี้มันทําได้ถ้าจิตใ จ, จมีราคาโตสะโมหะแต่จิตใจของผู้เช้านั้นไม่มีตรงนี้นี่คือดีข้อที่หนึ่งี่คือดีในข้อที่ผู้สอนนั้นไม่มีราคาโตสะโมหะผู้สอนนั้นได้คิดคนมาก่อนทํามาก่อนได้ผลด้วยท่านผู้ฟังลองคิดดูธรรมะทุกบททุกท้อยทุกคําทุกตอนที่เราฟังมาเนี่ย ผ่านอมาจากจิตใจของปริชาที่ไม่มีรักะไม่มีตัวสะไม่มีโมะผ่านการกําหนดบทเพียนชนะผ่านทางสมองผ่านหลืบสมองกําหนดบทเพียนชนะออกมาผ่านมาทางถ้อยคําทางเสียงที่เปล่งออกมาจากวาจาและสั่นสะเทือนมาจนถึงเราเนี่ยมันดีตรงนี้ส่วนข้อที่ดีในข้อที่สองคือตัวธรรมะนั่นเองแล้วก็เป็นสิ่งดีเพราะเป็นข้อมูลที่สอนแล้วแต่ไม่ได้เบียดเปลียนใครแต่เป็นข้อมูลที่ดี ตรงจุดที่ว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้องเป็นคําสอนที่ดีเป็นคําสอนที่จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งความรู้ปลอมนิพานแต่คําสอนตรงนี้นะแล้วคําสอนนี้นนก็เป็นไปเพื่อความสละออกเป็นไปเพื่อความคลายกําหนักมันดีตรงที่ว่าตัวมันเองอยู่ตัวมันเองเดียวๆโดดๆแล้วก็เป็นสิ่งดีแต่คือผู้สอนดีด้วยนนี่คือข้อที่1ตัวเองอยู่เดียเด่ยวๆโดดๆอยูใ่ในตู้พระไตรปิฎกไม่ได้มีใครไปอ่านอันนั้นก็ดีเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ดีที่ถูกต้อง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 คือถ้าเข้อไม่ดีเนี่ยมันมาต่อมาไม่ได้เราก็จะไม่มีคนเก็บต่อมาแต่เพราะว่าข้อมูลที่ผ่านจากจิตใจของผู้เชาผ่านมาทางสมองออกมาเป็นเสียงกําหนดเป็นบทเพียนชนะนี่จากผู้เชาคนแรกนี่นเป็นธรรมะที่ดีนี่คือข้อดีสอแล้วก็พูดที่มาเรียนมารู้ก็จําต่อต่อกันมาผ่านลืบสมองของท่านพระอา น, นุนผ่านถ้อยคําของพระรุ่นต่อตอมาผ่านจํากันมามันลง อ, อ, กอักษร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 อาไว้เรื่องราวต่างเหล่านี้ก็จะสอดคล้องลงกันรับกันไม่มีการขัดแย้งกันและไม่เป็นไปอย่างอื่นเพราะว่าการกําหนด บ, บทเพยียญชนะตรงนี้ดีอันนี้คือเรื่องของปอัญชนะหนึ่งนะส่วนที่2คือเรื่องของอัตตะคือความหมายนะความหมายมีความหมายลึกซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าฉบับด้วยเรื่องสุญญาตานะแต่ บ, บทเพยียรชนะอันเดียวนะแต่สามารถแจกแจงไปได้หลายอัตตะหลายนัยยะมีความลึกซึ้งตรงนี้อย่างกรณีของท่านพระศัจจเนี่ย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 หรือว่าถ้าคุณจะเอาเนื้อหาเน้นๆแต่จะย่อลงมาโดยคําเดียวก็มีแต่จริงๆแล้วออกมาจากเรื่องเดีย ว, วออกมาจากจิตใจออกมาจากเรื่องเดียวคือใจที่มีสติแต่ออกมาเป็นสมาธิวิปัสนาแต่ออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ออกมาเป็นเรียกมากคแปแต่เข้าไปอีกเป็นโพชฌงเจ็แต่เอ้าไปตรงนั้นเป็นเรียกมากคแปดแต่ออกมาเป็นนรียบสัสีแต่ออกมาเป็นสัมปท า, าน4แต่ออกมาเป็นพระ5อินทรีย์5โพชฌงเจ็มรรคแมันแต่เข้าไปเรื่อยๆจำฝัง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 นี่คือเรียงว่าสวากาโตปกวตาตโมคือพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วมันดีจริงๆจะฟังฟังแลดีไหมข้าประเจ้าันดีมากๆเลยนะแล้วความดีไม่ได้หยุดแค่นี้ทั้มฟังความดีเกิดขึ้นต่อไปตรงจุดตีว่าเป็นสันทิตโกสันทิตโกเนี่ยก็คือผู้ที่ทำแล้วจะเห็นได้เองทาแล้วเห็นได้เองอย่างไง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 คุณก็จะมีความไม่ร้อนใจอันนี้ก็จะเห็นได้เองแต่คนที่รักษาศีลได้จะเห็นได้เองคนที่รักษาศีลไม่ได้ก็จะเห็นได้เองความเห็นได้เองตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ต้องให้กูเดื่นมาบอกคือตัวเองเห็นประจักษ์ได้เองห้ า, าวพระเจาบอกให้ฟังเป็นอย่างนี้คุณสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ y อ n การที่พิสูจน์ได้อ เ, อเดี๋ั้นเห็นเองเดี๋ั้นรู้เองเดี๋ YNN นั้น็เรียกว่าสันทิติโกแันนี้เป็นคุณสมบัติของธรรมะหนึ่งที่สําคัญมากว่า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 พระเอย่างนี้ก็บรรลุที่ใต้ต้นไม้โปะหน้าเดียวนั้นเราพระอรหันต์ทั้งหลายแต่ถ้าเดินอยู่ทําเห็นได้แจ็มแจ้งชัดเจนก็เวลาเดินนั่นแหละเดียวนั้นแต่ได้เดียวนั้นไม่ได้ว่าต้องรอตอนเชา้าตอนเย็นหรือเวลาไหนๆได้ๆนี่คือคําว่าอาการลิโกถัดมาคือเอหิปัสสิโกนั่นคือการที่ควรจะเรียกคนอื่นเข้ามาดูเข้ามาชมอยเวลาที่เราเรียนธรร ม, มารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ย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 สิ่งที่เราไปรู้สิ่งที่เรารับมาสิ่งที่เราฟังมาเนี่ยเป็นธรรมะหรือไม่ได้ยกตยัวอย่างเช่นอา้าวหนังสือมาเล่มหนึ่งแต่หนังสือเขาเขียนว่าอย่างนี้อย่ า, ยาแต่เราก็พิจารณาดูว่า้ข้อความที่เขาเขียนอย่างนี้นเนี่ยมีกฎบัติของธรรมะหอย่างนี้ไหมแต่ถ้าหนังสือนั้นเขาบอกว่าเออคุณไปบนบานสารกล่าวตรงนั้นตรงนี้สิน่าจะดีปีนี้ปีชงปีนี้ปีไม่ชงเอ๊ะดูแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ประกอบด้วยการนะเพราะว่า มันเกี่ยวข้องกับเวลาเป็นปีนั้นแล้วก็ปีโน้นเอ๊ะแต่ธรรมะของพระเจ้าไม่ประกอบด้วยการอ่าแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่ธรรมะแต่เพราะามันไม่มีคุณสมบัติตรงนั้นแต่ถ้าพอเราดูดีๆอ๋อเขาพูดถึงความเสื่อมไปของการมีความสุขการมีความทุกข์การได้ลาบการเสื่อมลาบเอออันนี้มันไม่ประกอบด้วยการแตนะเพราะว่ามันดีก็มีไม่ดีก็มีเอาเขาเอาพระเครื่องมาให้เราแต่มีปรัเครื่องพิมพ์นั้นแบบนี้เอ๊ะพิจารณาดูแต่ว่าอันนี้เป็นธรรมะหรือไม่ อาจจะเรียกคนอื่นมาดูได้แต่มันก็ต้องไม่ประกอบด้วยการด้วยนะต้องมีคนสจบัติอื่นๆอยู่ปร้อมด้วยแต่ซึ่งในสมัยพุทธกาลก็ไม่ได้มีพวกพระเครื่องตรงนี้ฮะเออแสดงว่าส่วนที่ไม่ใช่ธรรมะมันก็มีแต่ถ้าบอว่าเรามองแล้วดูแล้วคุณจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าได้เออการระลึกถึงพระพุทธเจ้าตรงนั้นนั่นก็เป็นพุทธคุณนะคุณระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็นึกถึงพระธรรมด้วยอันนั้นก็เป็นพระธรรมฮะเออตรงนี้ก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมะได้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 แต่ถ้าเราจะมองให้เห็นธรรมะในสิ่งนี้อย่างเช่นคนที่จะมีโพคาซัก์ก็ต้องมีความขยันกันแข็งคนที่จะมีโพคาซัก์ก็ต้องมีศีลคนจะมีโพคาซัก์ก็ต้องมีการให้ทานอย่างนี้การให้ทานการรักษาศีลเออนี้ไม่ประกอบด้วยกันทําที่ไหนดีตรงนั้นเอออันเนี้ยก็เป็นธรรมะได้เราสามารถใช้คุณสมบัติของธรรมะตรงเนี้ยในการจะตรวจสอบได้ทุกอย่างว่าสิ่งที่เรารู้มาเห็นมาสิ่งนั้นรับมานี่เป็นธรรมะหรือไม่ มีธรรมะอยู่ในสิ่งนั้นหรือไม่ในคุณสมบัติของธรรมะทั้ง6อย่างนี้แต่ก็พูดคร่าวๆเพื่อที่ทำความเข้าใจให้เกิดขึ้นในเบื้องต้นเราจะรู้ถึงคุณของธรรมะจริงๆก็เมื่อเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นธรรมะที่อยู่ภายนอกที่เราเห็นเป็นหนังสือเป็นสมุดครอยเป็นใบรานเป็นแผ่นซีดีบ้างอยู่ในตู้ประตัยปิดดกอยู่ตามชัน้นหนังสือเขาขายอยู่ตามร้านหนังสือต่างๆ อันนี้ก็เป็นธรรมะก็ดีอยู่เป็นสิ่งที่เป็นอยู่ภายนอกอันนั้นก็ดีในระดับหนึ่งแต่ว่ามันก็ยังเสี่ยงต่อการถูกเผาทําลายถูกปลวกเจาะกินถูกการเวลาทําให้มันเสื่อมสูญไปอันนี้ก็มีความเสี่ยงความอันตรายตรงนี้มันก็จะไม่ดีเราจะทําให้มันดียิ่งขึ้นก็นําเอามาฟังเอามาใคร่ครวนเอามาทรงจํำมาไว้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเอาซีดีนั้นมาฟัง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 ธรรมะที่อยู่ตามหนังสือตามตู้พระธรรมปิฎกเป็นเป็นระดับที่1ระดับที่อยู่ข้างนอกธรรมะที่เข้ามาอยู่ในสมองเป็นความรู้ความทรงจําของเราก็ละเอียดขึ้นมาอีกดีขึ้นมาอีกมันเป็นระดับที่สองจะดีขึ้นมาอีกและที่ดีที่สุดเลยทั้งหมดคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราธรรมะที่อยู่ในใจซึมทราบเข้าไปในจิตใจของผู้ใดแล้วเราจะรู้ถึงคุณธรรมของธรรมานั้นเราจะรู้เลยว่า